ชื่อติเนยค่ะติเนยอ่ะติเนยอายุเท่าไหร่คะ13ปีค่ะ13แล้วเนาะอ่ะว่าไงล่ะสงสัยอะไรจบกันบ้านนะอ่ะมีมีอะไรอยาจะบอกตามไหมอ้าวอ้าวถามก่อนบอกก่อนไม่มีค่ะอืมดีไหมไม่มีโอ้แต่ดีแล้วล่ะดีมากดีดีขึ้นพัฒนาขึ้นมาก พนาขึ้นมากดีมากเลยหรอกแต่ในในใจลึกๆในใจลึกๆกนบึ้งหังใจอ่ะเวลาน้องน้องแย่น้องน้องเหมือนกับน้องแย่น้องจะกัดเอาโมโหจริงๆก็เงินเงียดอยู่ยังินเงียดอยู่ลึกๆก็ยังเงียดแต่ตัวร้ายกับเป็นเจ้าเจ้านิมซะอีกอ่ะเราอันนึกว่าตัวพี่นะจริงๆอ่ะ ตัวลายอ่ะนิมนมันชอบใจกัดกัดเขาแย่เขากลับไปตัวลายนิมมันม น, น, น, นี้ยนั่นแหลไอ้ต่นินมแต่นี่มันเป็นอย่างนี้นะลูกมันเป็นกันมาอย่างงี้เนี่ยความจิมเป็นกันมาอย่างนี้ลูกเออเนย์เนี้ย จะแก้ทางริมได้จะแก้ทางริมได้ต้องเมตตาเท่านั้นเองเมตตาน้องถ้าหนูเมตตาน้องที่สุดและสุดท้ายน้องเขาก็จะอ่อนโยนแล้วก็จะสีโร ล, ล่าไปเองแต่ถ้าหนูยิ่งโมโหน้องหุดหิดน้องเนี่ยมันจะยิ่งยิ่งวุ่นวายแต่เป็นอย่างนี้กันมานานแล้วลูก คนจะเป็นกรรมวันแต่ดึกกรรมันนิมก็จะแด่พี่จะกัดพี่นี่คือธรรมชาติเลยมันเป็นธรรมชาติมาแต่เนี้ยแต่ก็ไม่มีอะไรหลับที่สุดก็ปนไปแค่นั่นเองจสุดท้ายโดยก็เมตตาน้องเมตตาน้องแล้วน้องก็ก็ไม่มีอะไรมึงก็ดีแล้วก็สีโลละบในความเมตตาที่สุดแพ้ความเมตตา านเข้าใจไหมยือไม่มีอะไรแหละจะได้ถ้าเราแก่แก่พื้นฐานในใจอย่างนั้นได้มันจะได้ประโยชน์จากคนอื่นด้วยได้ประโยชน์ต่ออินพมยมยักมากคุตมนุกคนทานสรพพสัตด้วยคือเราจะเป็นผู้ที่มีความเป็นผู้เต็มเป็นที่รักเป็นที่รักของมนุษย์และอมนุษย์ทั้งหมดอันนี้มันดีอย่างหนึ่งนั้นลูกทานลูกสามารถเราจะน่ใจมองได้ดูกไม่ไม่หงุดหงิด เนยไม่ไม่หงุดหงิดน้องได้ไม่หงุดหงิดนิมได้แล้วก็จนฝึกเอาชนะใจเราได้ไม่หงุดหงิดน้องมีแต่ความเมตตาเปลี่ยนเปลี่ยนความหมงุดหงิดเป็นความเมตตาน้องหลักน้องแล้วก็เมตตาที่สุดเราก็ชนะใจน้องได้ด้วยความเมตตาในโลกและตัวนี้น้องเนี่ยก็เป็นตัวฝึกพี่เป็นฝึกตัวฝึกพี่ให้พี่เนี่ยจิตใจมใีเมตตาเลยให้ออกมาจากใจให้ได้ เมื่อไรที่เราหายหงุดหงิดแล้มีเมตตาออกมาจากใจได้เราก็เมตตาน้องไม่ไม่หงุดหงิดน้องมีความเมตตาจริงๆปาาริย์ให้น้องปัตนาให้น้องได้ดีมีสุขพ้นจากทุกข์เราก็จะมีความปัต น, นาให้คนอื่นได้ดีมีสุขพ้นจากทุกข์ได้หมดเพราะนี้มันอยู่ติดตัวกันชอบแย่กันเหมถ้าเราเนี่ยน้องเนี่ยเป็นตัวฝึกจิตของเราเป็นตัวฝึกจิตของเรา ถ้าเราชนะใจเราที่หงุดหงิดน้องได้โมโหน้องได้มีเมตตาที่ออกกระจแล้วเราจะเมตตาคนทั้งโลกได้เมตตาสัพสัตเจ็บตจบดาอินพรมยอมยักหน้าคุณบรรทุกคนทานสัพสัตได้อันนี้น้องมาเป็นตัวฝึกจิตพี่โดยเฉพาะเข้าใจบอะเข้าใจค่ะ <is it? S 1> เออเออเออแล้วจะเป็นผลดีกับตัวเราเองหร อ, อเ อ, อ้ได้จะเป็นผลดีกับตัวเราเอง มันจะทําให้เราเนี่ยเป็นที่รักของมนุษย์และอมนุษย์ทั้งหมดจะจะเรา ก, ก็จะเจริญรุ่งเรืองโลกโลกกเจริญธรรมก็จ ะ, จะเจริญ น, น ะ, อะเอาคุณหมายไหมขาขยายคำหลวงตาก็คือว่าตอนที่เนยส่งการบ้านระหว่างระหว่างก่อนที่หลวงตาจะมาเนี่ยนะครับก็เห็นการเปลี่ยนแปลงที่หลวงตาแนะนำให้เขาเห็นความคิดเขาแล้วกเ็เรื่องเวลาโกรธเนี่ยเขาน้อยลงกับน้องนะฮะแล้วก็เขาเห็นแล้วเขาก็เบาแล้วก็เห็นมันดับไป ลากถามเนยเองเนี่ยเขาก็จะเห็นเห็นสิ่งสภาวะอย่างนี้แล้วก็ทําให้เขาเขาเขาวางจากสิ่งเหล่านี้ได้นะครับแล้วเขาก็ดูสดใสขึ้นนะครับห่างตาครับเพราะว่าเดิมเนี่ยของเขาเนี่ยเนยเนี่ยไออารมณ์อารมณ์มที่หงุดหงิดลำคาญอะไร เ, เนี่ยมันออกมาถึงผชั้นนอกเลยแล้วต่อมาเนี่ยชั้นนอกมันดับไปพลิรําคาลที่ออกถึงชั้นนอกดับไปมันก็เข้าไปถึงชั้นกลาง เข้าไปถึงละเอียดขึ้นก็ยังงุนงละเอียดขึ้นก็เพื่อมวันไหวตอนนี้มันเข้าไปถึงแม้แต่ในใจตนยังไม่รู้เลยมันเข้าไปถึงเนี่ยมันเหมือนที่เขาเรียกว่าล้วงจิตใต้สานึกต้องใช้ความละเอียดเจาะเข้าไปมากเลย ไ, ไ ด, ได้เพราะว่ามันไปอยู่ที่จิตใต้สานึกไปซ่อนไว้เนี่ยพลังตัว น, นี้มันหมดเลย ล้างจิตได้ตั้งนึกได้แล้วมันจะพลิกกลับด้านมาเป็นเมตตาเพราะเมตตากับเมตตามันคู่รักันถ้าเมตตามันก็ไม่เมตตาอถ้าเมตตามันก็ไม่เมตตา ม, ม, เ ม, ตามะเข้าใจไหมแต่นี้ถ้าถึงตรงตรงที่อารมณ์ออกมาถึงขั้นหยาบแล้วเนี่ยอันเนี้ยเข้าในาได้พอขั้นหยาบหมดไปจะเป็นอารมณ์ละเอียดละเอียดหงุดหงิดมาโหมุนเจี้ยวหงุดหงิดลำคาญ ออกมาในขั้นละเอียดๆก็เพื่มยังก็เพื่อออกมาได้ทีหน้าเดีวตาแต่ตอนนี้นะ่ะแทบจะไม่ออกเลยก็ไม่ออกนอกจากสัจญาว่าอารมณ์แรงๆจริงๆแต่ที่หงุนหงิดในใจลึกๆแทบไม่มีแต่ตจริงๆมันมีซ่อนอยู่อันเนี้ต้อเลียดจริงๆเลยอันนี้ต้อเลียดมากแต่ถ้าสามารถล้างล้างแม้แต่ะเอียดจนขนาดเป็นฝุ่นทุลีในในจิตใดตนึกตัวเองได้แล้วก็อันนี้แทบจะหมดแหละแทบจะหมดเลย ตอนนี้ก็เดินขึ้นเขาพื่อที่านอย่างเดียวตอนนี้จะตกมาบ้างฝึกเมตตาไว้ลูกเมตตาเมตตาเมตตาพระพุทธเจ้าตัดอันดิสงของเมตตามีถึงสิบเอ็ดอย่างนะลูกฝึกเมตตาไว้ลูกเมตตาตนก่อนอื่นต้องเมตตาตนก่อนลูกจะต้องไม่คิดไม่พูดไม่กระทาในสิ่งใดก็ตามที่ทําให้ตัวเองเป็นทุกข์เดือดร้อน แล้วเราก็ไม่คิดไม่พูดไม่กระทําให้คนอื่นเป็นทุกข์เดือดร้อนอันแม้แต่มันิแม้แต่ความคิดในใจเราก็รู้ทันตั้งแต่คิดอยู่ในใจเลยหรกเราไม่ไม่คิดไม่พูดไม่กระทําสิ่งใดที่ทําให้ตัวเองอเป็นทุกข์เดือดร้อนทำมันพลาดไปแล้วเราก็เอไปแอบไม่ใครรู้ก็ได้แอบไปขอโทษต่อพระพุทธประธรรมพระสงฆ์้วองคพาะก็ได้หลุดขอโทษขอโทษเราพลาดไปแล้วพลาดไปแล้วเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่แล้วลูกก็ จะเป็นคนที่มีเมตตาสูงมากเลยคือมีเมตตาตนเองก่อนคือไม่คิดไม่พูดไม่กระทาให้ตนเองไปทุกข์เดือดร้อนแล้วก็คนอื่นก็จะง่ายแหละจะไม่คิดไม่พูดไม่กระทำจริงใดให้คนอื่นไปทุกข์เดือดร้อนก็ทําได้อย่างนี้เลยมันจะเป็นที่รักของมนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลายไม่ตายด้วยคมอาวุธใดๆปรจําไม่ผิดรู้สึกว่าจะไม่ตายไม่ตายโหงด้วยแล้วก็ หลับก็เป็นสุขตื่นก็นเป็นสุขเข้าฌานง่ายเหมือนดุดลมพัดไปในอากาศเข้าสมาธิระดับฌานง่ายเหมือนดุดลมพัดไปในอากาศเลยแล้วก็มีสุขคติพบเป็นที่หวังเรียนในส่งเยอะนั้นหนูฝึกไปดีดีดีดหนูเรียกว่าหนูพัฒนาขึ้นมาเยอะนะหนูมาก่อนนี่ไม่เป็นงี้หรอกดีมากสาธุนโมตนาดเลย อ้าวเป็นไงอ่าฮ่าฮ่าฮอา่าฮ่าฮ้าฮ่าฮ่อฮ่าฮ่า่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่อฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ <flush> ่้ฮ่าฮ่าน่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่านิาฮ่มฮ่วฮ่าฮ่่าฮ่วฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่า10าวบา่าฮ่าฮา มันสงสัยอะไรไหมลูกจยากถามอะไรต้องถามไหมสงสัยอะไรไหมไม่ทราบค่ะไม่ทราบนะนิมนี่ก็ก็พลิกพลินกลับไปอีกแบบนึงจากสมัยเด็กเขาจะเอพลิกตลบกลับด้านเนี้ยฮะสองสามรอบจากสมัยเด็กๆเขาก็จะไปดีแบบเนี่ยทีทีท่เราให้ล้าง ไปหมดที่หงุดหงิดงอนๆเลยแล้วขาก็ล้ามหมดไปแล้วแล้วก็พอมาถึงตอนเนี้ยเขาจะมันจะพลิกกลับมาได้เราก็ไม่นึกนึกไม่ถึงมันจะมาอย่างนี้ก็มจะเริ่มกลับมาหงุดหงิดกับอาการของใจข้างในตัวเองจะเริ่มเริ่มหงุดหงิดกับอาการของใจเพราะหงุดหงิดกับอาการของใจเนี่ยมันก็จะหงุดหงิดข้างนอกด้วย เขาจะเริ่มทนไม่ได้กับสภาเอกก็อึดอัดก็ไ่อัดที่อยู่ในใจที่เป็นเช่นนียมันมันก็มาจากเหตุที่ดีกาวไปอธิษานลา้างก็จะเป็นคนดีอย่าละบาปคิดดีพูดดีทำดีก็จะไม่มีอะไรจะไม่ให้มีอะไรค้างคาอยู่ในใจ ไม่ติดตัมความรักความชังเนอะใช่ไหมนิ่มเนะใช่ไหมก็<ะ>จำได้นะหนูก็จำได้ใจก็เลยจะอาดบริสุทธิ์พอใจจะอาดบริสุทธิ์นันก็เลยเกิดการกับของเกา่าอ่ะของเกา่าเป็นบุญบา ร, รมีเกา่าอ่ะศาสนาเก่าพวกเห็ือนคล้ๆอารมณ์สมาธิ อารมณ์ฌาญฤทธพลังอะไรต่างมันเริ่มเกาะเกิดเข้ามาแทรกเข้ามาได้พอแทรกเข้ามามันก็มันกบพลังมันรัดรัดเข้ามาถึงจิตผมรั ด, ด้ามาถึงจิตมันจะมีอาการหงุดหงิดเป็นหุดกิดสลับดีตัวเนีน้พอมาเริ่มเป็นแต่เด็กมันก็เลยหนูจะเข้าใจหรือเปล่าที่ดวงตาพูดนะ มันก็เริ่มมีอาการหนเนาะเดี๋ยวเราก็สบายใจไม่สบายใจจะไม่ลุกใช่ไหมค่ะสลับกันเนาะเป็นบางทีก็เป็นบางทีใช่ใช่ถูกต้องเลยตอนเนี้ยบางทีมันได้โดนจังหวะไม่จังหวะไม่ไม่ไม่รู้คนอื่นไม่รู้เขาเนี่ยบางทีพ่อหรือว่าหรือว่าพี่สาวบางทีเนี่ยไปตกจังหวะที่ที่เขางุนกิดอาการทางใจอยู่แล้วเนี่ย มันก็เหมือนเสือร้ายเลยเหมือนเสือแม่ลูกอ่อนที่มันกกลูกหราลังงุดหงิดเงี้ี่ลังงุงานนงานงานุงิดอย่างเงี้ยก็พอไปแย่ๆเขาก็ตะปบเอาได้เลยตะปบเอาจริงๆกัดเอาจริงๆตะปบเอาจริงๆใจข้างในเขาเนี่ยเวลามันมันงุนงิดขึ้นมาอะไรจริงๆหรือว่ามันมีพลังคือมั น, นจริงๆอะ่ะเขาก็มีฤทธิ์มีอำนาจจริงๆจริงๆของเขาเหมือนกันเหมือนเสือร้ายย เขก็มีฤทธิ์มีอำนาจอ่จริงน ะ, ต, ะใใออ ต, ตัวเล็กใจใหญ่เออตัวตัวเล็กใจใหญ่โลกเขาเนี่ยเป็นผู้หญิงก็จริงอะ่ะตัวเล็กก็จริงอะ่ะแต่เขาเนี่ยตัวเขาเล็กก็จริงใจจริงอะ่ะแต่ใจไม่ใจเขาใหญ่เขาสามารถเขาคิดว่าเขาจะสามารถคุ้มครองคนทั้งหลายได้ใจใหญ่ ตอนนี้มันจะทำยังไงหลุดรอดจากไอ้พลังที่อัดบางทีมันทำให้เราหงุดหงิดลำคาลอาการของใจแต่ถ้าหนูเนี่ยนิมเนี่ยเข้าใจเลกเข้าใจว่ามังเป็นบางทีมันพลังมันเข้ามาพลังจิต ท, ที่บริสุดพลังธรรมชาติที่บริสุดบางทีก็ลูตงตาที่ถานไว้ให้กุ้งคลองไว้ให้จิตของหนูก็ไปเชื่อมต่อที่ดวงตาเมตตาเด็กกุ้งคลองเด็ก จิตก็นหนูเลยไปเชื่อมต่อให้เลยอตัตโนมัติเป็นอตัตโนมัติ อ, ตตออตโต้ไปเชื่อมกับากําลังจิตที่เป็นสุดลังธรรมชาติเอสุดของบุตคุณธรรมคุณวสังคคุณคุณมีธรรดาคุณพ่อแม่คุณบาอาจารย์บุญบรารมีโดยไม่ตั้งใจมันเลยเป็นออโต้เพราะว่าบวกกับจิตใจของหนูมันเข้าไปถึงอะไปไปจนถึงความว่างจากความคิดและอารมณ์ที่ที่คั้างคาใจมันเริ่มที่บางครั้งมันเชื่อมเชือ่อมอัตโนมัติเป็นออโต้ ผลดีก็คือทําให้มีฤทธิ์มีอํานาจตั้งแต่เด็กมีบา ร, รมีแต่ผลเสียคือก็คือมันทําให้เกิดอาการงุดหงิดได้บางครั้ง ม, มัมีอาการที่ไม่สบายใจได้ใจมันจะไม่ไม่ค่อยว่างว่างแล้วมันมีอาการของใจคือมันจะตึงๆทึบๆุมันจะมีอาการตึงๆภายในในหัวในใจได้มันจะทําให้งุดหงิดกับอาการเหล่านั้นเนี่ยทานเวรเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาถูกต้องต้องอยู่กับมันตลอดชีวิตลูก บางที่ถ้าหนูไม่ไปหงุดหงิดมันเดี๋ยวมัน ก, มน ก, มมนกม็มันก็ไม่มันก็ไม่มีวุ่นวายมีอิทธิพลต่อใจหนูจะต้องทํำยังไงถึงจะไม่เห็นไม่ไม่หงุดหงิดมันอาการที่มันบางทีมันทำให้หนูตึงตึงทึบๆ ต, ตามตัวตามหัวตามจิตใจเนะี่ยหนูก็ไม่ไปหงุดหงิดมันไม่ไปลาคาญมันเนี่ยหนูเห็นเรื่องเรื่องธรรมดาหรอกถ้าหนูไม่ไปหงุดหงิดเขาหนูก็สามารถอยู่กับเขาได้เขาก็ไม่สามารถก่อควาจิตใจเราให้วุ่นวายเราก็จะไม่ไปหงุดหงิดคนอื่น อันเนี้ยไม่ทราบหนูจะเข้าใจมัมเดี่ยวองตาพูดเนี่ยองถะไหนอธิบายได้รึปะเข้าใจไหมก็คือว่าถ้าเกิดเราไม่ไปรำคาญความหงุดหงิดละเราก็จะไม่ไปหงุดหงิดเออสาธุสาธุสาธุอันนั้เนี่ยหลวงสอนง่ายดีเว้ยออถ้าเราไม่ไปราคาญหงุดหงิดเราก็จะไม่หงุดหงิดถูกต้องเลยลูกความหงุดหงิดมันจะหายไปเองอกอาการที่ เราทุบๆๆอะไรก็จะละลายมันไปเองแล้วต่อไปมันก็คมีอิทธิพล น, น้อยอิทธิพลต่อใจเราน้อยลงไปเรื่อยๆลงเนาะดีแล้วลูกคนเป็นเ ด, ด็ ก, อกตอนนี้หนูรู้สึกไงลง่กหนูบอกความรู้สึกไปดิเจากใจปอนดีจิตใจหนูรู้สึกยังไงลงูก ไปในร่างกายร่างกายตัวเราแล้วก็จิตใจตอนนี้รู้สึกยังไงเราบอกตามความเป็นจริงที่สังเกตดูสิตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นเนาะแล้วนอกจากตื่นเต้นแล้วเป็นยังไงอีกลอยการใจสั่นๆไหมกระเพื่อมกระเพื่อมไหวๆไหมนิดหนึ่งค่ะนิดหนึ่งแล้วยังไงอีกลรนูมีการที่ร้อนร้อนวัววัววบหรือเปล่ารหรือไม่มี ไม่แน่ใจไมเนใจาะโอเคเอาดีแล้วลูกตอนนี้อนูอจำคาพูดหนูไ ว, นว้นะเวลามันมีอาการอะไรหรือมันงุนกิจหรือมันมีอาการอะไรที่น่าลาคาญแล้วไม่เป็นลำคาญเขาไม่หงุนกิจเขาก็มันก็ไม่มีอะไรอยู่ในใจใช่ไหมจะเข้าใจไหมค่ะเอดีแล้วลูกกาลังกำลังจิตเข้าเหลือเฟือ เขาก็เหมือนกับคุ้มครองดูแลคนอื่นได้ทั้งหมดอะแต่เขาจะเป็นเขาจะได้ไงอะเอ่ยเหมือนกับเกิดมาเพื่อเกื้อกูลคนอื่นมันไม่ได้เกิดมาเพื่อให้ตนเนี่ยคนทุกเฉพาะตนอย่างเดียวมันกับว่าคนอื่นสามารถเกื้อกูคนอื่นให้คนอื่นเนี่ย ความทุกข์น้อยลงไปแล้วเขาก็ถึงจะความทุกข์ในใจของเขาเขาก็จะกลับเข้ามาเป็นกลับมาเป็นตัวของเขาเองเขาก็ได้เกื้อกูลแต่เขาอยู่เพื่อเกื้อกูลพ่อแม่ญาติพี่น้องคือเขา เ, เหมือนว่าถ้าคนอื่นไปหมดนะเขาไปที่หลังพ่อแม่ญาติพี่น้องขอพร้อมที่ช่วยเหลือเกื้อกูลใจใหญ่ เสือลายตัวเล็กใหญ่เวลาเวลาเอาเรื่องกินมาเอาเรื่องไว้กันเนี่ยตัวเล็กเนี่ยเสือลายไม่กลัวใครใช่เสือลายอันงเวลาในกลังกำลังจิต วเวล า, าโมโหมั น, วนเวล า, าโมโหจริงๆอะไจริงๆนเหมือนเตือนอะรอจริงๆยิ่งมีฤทธิ์อำนาจบวกะสค์ไปเร้โหยกเาโมโหจริงน่าดูเลยล้เตือนเล็กอย่างเงี้ยตออารมเย็นจะไปกัดก้นหัวเขานะก็ <c oughs> บ, บูคใครแม่นะ <c oughs> อืมเกยเงั้นะก็นนะ ดิก็พูดแดิกพูดออกมาจากใจน่มีอะไรแล้วก็ใจไม่เปหงุดหงิดลำคาใจก็ว่างเปล่ามีอะไรใจไม่ไปหงุดหงิดลำคไม่เข้าไปยึดตือใจก็ว่างเปล่าเราต้องไอ้ตเนี้ยตัวมันยืนพื้นเลยอาฝึกอย่างี้ตลอดไปจะถึงทีุ่ดเลยอ้างสรเลกไหมลูกใจเนาะมค่ะเออเอาเป็นแต่เด็กเลย